และ ว, วันที่โปร่งทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าพวกเจ้าโต้ตอบแกบ่บรรดาศาสนาทูตว่าอย่างไรดังนั้นข้อแก้ตัวได้ทำให้พวกเขามืดมนในวันนั้น ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ไต่ถามซึ่งกันและกัน م م ى ي ส่วนผู้ที่กลับตัวศรัทธาและประกอบความดีหวังว่าเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับชัยชนะ ุและพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงคัดเลือกสำหรับพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือกมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงสูงทรงจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีโอ้พระเจ้าทรงูมาตุกินมีจิตใจที่ต่างอัน และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงรอบรู้สิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดอยู่และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยและพระองค์คืออัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สำหรับพระองค์เท่านั้น การสัรเสริในโลกนี้และโลกหน้าและการชี้ขาดนั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์และอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเขาจะถูกนำกลับจงกล่าวเถิดมูัมหมัด ว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือหากอัลลอ์ทรงทำให้กลางคืนมีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้าจนถึงวันกิยามะพระเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอ์เล่าที่จะนำแสงสว่างมาให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่รับฟังดูบ้างหรือกกลลลลลลลออออริินนนาาััยยุมมมมด มันอิลลาฮจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วม่ใช่หรือหากอัลลอฮ์ทรงทำให้กลางวันมีอยู่ตลอดไปแก่พวกเจ้าจนถึงวันเกียรมะเพราะเจ้าองค์ใดอื่นจากอัลลอฮ์เล่าที่จะนำกลางคืนมาให้พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นพวกเจ้าไม่ได้พิจารณาไตรตรองดูบ้างหรือและจากความเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงทำให้มีกลงคืน และกลางวันเพื่อพวกเจ้าจะได้พักผ่อนในเวลานั้นและเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาความโปรดปานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณและจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่า เราพาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวว่าและเราได้เอาพยานออกมาจากทุกๆุประชาชาติแล้วเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามา ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าแท้จริงสัจรธรรมนั้นเป็นของอัลลอ์และสิ่งที่พวกเขาได้กูกขึ้นนั้นได้สูญไปจากพวกเขาเสียแล้ว <S <S แท้จริงกอรูนมาจากกลุ่มชนของมูซาเขาได้กดขี่ต่อพวกเขาและเราได้ประทานทรัพย์สมบัติอันมากมายให้แก่เขาจนกนระทั่งลูกกุญแจทั้งหลายของมันนั้นเมื่อคนแข็งแรงกลุ่มหนึ่งยกแบกด้วยความยากลำบาก เมื่อกลุ่มชนของเขากล่าวแก่เขาว่าอย่าได้ยิงพยองเพราะแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงโปรดปรานผู้ยิงพยองาอา ละจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอ์ได้ทรงประทานมาแก่เจ้าเพื่อปรโลกและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้และจงทำความดีเสมือนกับที่อัลลอ์ได้ทรงทำดีแก่เจ้าและอย่าแสวงหาความเสียหายในแผ่นดิน แท้จริงอลัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานผู้บ่นทำลาย <S <S เขากอรุนกล่าวว่าฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉันเขากอรูมไม่รู้ดอกรู้ว่าแน่นอนอัลลอ์ได้ทรงทำลายผู้ที่มีพลังยิ่งกว่าและมีพรรคพวกมากกว่าก่อนหน้าเขาในศตวรรษก่อนๆและบรรดาผู้กระทำความผิดจะไม่ถูกสอบเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ของพวกเขาดอกหรือดังนั้นเขาได้ออกไปหากลุ่มชนของเขาด้วยเครื่องประดับอันโออ่าของเขาบรรดาผู้ปรารถนาชีวิตแห่งโลกนี้กล่าวว่า โอ้ oh, หักเรามีเช่นที่กอรูนได้ถูกประทานมาแท้จริงเขาเป็นผู้มีโชควาสนายิ่งใหญ่จริงจิและบรรดาผู้ได้รับความรู้กล่าวว่า ความวิบัติจงประสบแก่พวกเจ้าผลบุญแห่งอลัลลอ น, นั้นดีกว่าสำหรับผูส้สรัทธาและกระทำความดีและไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากบรรดาผู้อดทนเท่านั้นดังนั้น เราจึงให้ธรณีสูบเขาและเคหะสถานของเขาสำหรับเขาไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ช่วยเหลือตนเองได้ และบรรดาผู้ที่อยากมีฐานะเยี่ยงเขาเมื่อวานนี้จะกล่าวในวันพรุ่งนี้ว่าพึงทราบเถิดเป็นที่แน่อนอนว่าอัลลอ์นั้นทรงให้ความกว้างขวางและทรงให้คับแคบในเครื่องยังชีพ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จะปวงบ่าวของพระองค์หากมิใช่ลอสส้อทรงโปรดปรานแก่เราแล้วแน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ธรณีสูบเราลงไปด้วยพึงทราบเถิดแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นจะไม่ประสบชัยชนะทิลคัดดาร์ลอลอาฮิร์ตูเนจัลฮ์ฮะลิลลดีนลายูรีดูนัลูอันฟิล้อรดีวลาฟาซาดา ดดนั่นคือที่พมนักแห่งปรโลกเราได้เตรียมมันไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปราถนาความหยิ่งผยองในแผ่นดินและไม่ก่อความเสียหาย และบั้นปลายย่อมเป็นของบรรดาผู้ย่ำเกรงผู้ใ ด, นะ ด, ดนำเอาความดีมาเขาก็จะได้รับความดียิ่งและผูดด้ใดนำเอาความชั่วมา บัรดาผู้กระทมความชั่วทั้งหลายนั้นจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้แท้จริงพระผู้ทรงประทานอัลกุราณให้แก่เจ้า แน่นอนย่อมนำเจ้ากลับสู่ที่เดิมจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งกว่าผู้ใดอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจน และเจ้าไม่ได้หวังมาก่อนเลยว่าคำพีนี้จะถูกประทานให้แก่เจ้าเว้นแต่ว่ามันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าเป็นผู้สนับสนุนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัลยยสุดดนนักออทธาเลย และอย่าให้พวกเขาหันเหเจ้าออกจากบรรดาองค์การของอัลล์หลังจากที่มันได้ถูกประธานลงมาแก่เจ้าแล้วและจงเชิญชวนไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี إ إ ลอ า, อออาอิลาฮอิลล้าฮฺทุกิุ่กอย่างทีุ่กสิ่งทุกอย่างทจ่มีทุุกอย่างทีิ่งทุอย่างีิงอย่างที่มีทุกสิ่งทุอย่าไที่มีพรกเจ้าอื่นไดี่มีทกสิุกอย่างททุกสิ่งยอย่องมพทุกสิ่งทุกอย่ากพระมักขิอางพระมุก่งทกอางที่มีทุสิ่ขอางเป็นุสิ่งทุองที และอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป